บรรดาอาธิกรณสอย่างจัดเป็นอธิกร์ไหนตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาอาธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอาปั ต, ตาธิกรละ5้าปาติเทศนิยกันคำถามคำตอบอธิกรในปาติเทศนิยกัน ละปาติเทศนียสิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาอธิกรณ์สี่อย่าง จัดเป็นอาปัตตาที่ก่อนอธิกรณวาระที่หกจบ